ละถูกสงลงอุกเข Í ปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติละถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติละถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปการให้มานัดแก่ภิกษุผู้ถูกสงลงอุกเขปนียกรรมนั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นถูกเรียกเข้าหมู่อีก